เร้มมาถึงงคุคนุอวออาวุน่ราทำ่เราทต่เราทำ่เราท่เาทีเราทำที่เา่าทีเราทำ่ราว่เราราทำท่เราทำท่เามำี่าทำาทที่เ่เราท่เาาทเาททาทำทงา่า่เาทเราเาท่เเ่เเ การกู้ก อ, อ, อตัอกอก อ, กะอะไรก่อน้เนอย่างพระพุทธสนพระพุรัตน์พระพลัทธแต่เรามาพุลัมาต่อนี่มาเผยเสียในการเสียละก่อนนะครับ้าอะไรลอบยภาพอะ เดายวก็ลาหมดอาว่าไปปกติแล้วทําสมาพิสเ็ต <c oughs> ก็ไปไหว้พระจุลามณีพระเมาท่านปู่ท่านยา่าท่านแม่เป็นประจำ <c oughs> แล้วจึงเข้าวิมานของตัวเองวันหนึ่ง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 ฉันคือยกทรงใช่ไหมก็ไม่ได้แปลกอะไรนี่ลาบลาการเกิดพ่ออาจจะเป็นคนลูกาจเป็นหมาอ๋อลูกอาเป็นคนพ่ออาจเป็นหมามันได้ไต่จะกดพุ่งกรรมนะลาาการเป็นวายกเกิดในวัฏจักรของบรรดาสมรร่วมกรอย่างถูกไหมลาบลาได้ไม่ได้แปกอ๋อลูกฉันเวลานี้เป็นหมาเขาเยอะอ๋อ ลูกค้าเส่งมาเกิดที่ลุเทยาของคนทั้งนั่นเลยโอ้โหแล้วก็ส่งมาเนี่ยครับครับแล้วก็เขาก็ไปไปไปสุดครับแค่ภาษาไม่ช่วยเขาขอรูปข่าวครับครับแล่วไม่เคยมาพูดกกุมกำลัเป็นหมานะครับครับมาช่วยเอ อะไรยกทรงก็เคยเป็นหมานะเสียห่าแล้วแหน่ความจริงแต่แล้วญาติเขาเรียกหมาหางกรุ๊ดแต่ใช่ญาติเพราะจีนนี่นก็ส่งมาแล้วกภาษามาสองาก็ส่งมาสี่ใช่ไหมฝากฝักแล้วเจ้าันนี้มีบนมากเพราะได้เกิดมาไม่ได้กินข้าวเลย คนให้นอนให้นี่ให้มันนั่งเข้าไอ้เปียกก็ใส่หมาที่น่ยหมาสักมีบารมีมากกว่าคน <c oughs> ใช่เป็นกาหมูเป็นลูกคนให้กันน<อ>าะมีไ้ชุดก่อนเหมือนกันปลาปลาไ<า>อ้ชุดก่อนนอนชอบปลาต้งเข็มเ<อ>วลาเราไม่อยู่ก็เห็นเลยว่าสตงางค์มันไม่มีมันหมดก็หาให้เาต้องให้ใช่ไหมปลาปลาถ้าปลาคนไปังเลยกลับมาเลยไม่ใช้ตังเลยปลาทำไมเราชอบปลาถารทำไม พนุพ่อไปก็ได้นะหัวใหญ่แทนนี่มีหมอเดียวมาทีสามสี่หม้อเลย <c oughs> โอ้ปลาเจ้าคนเกินคอจาใส่ได้เลยเ <c oughs> นี่ยงหมากินขี้ชานก็แย่ <c oughs> นื่เรียกว่ <c oughs> าเป็นไปได้นะอันนี้มันทา่านทุกอนโน้นเสมอกันร า, า, านแม่มันตั้งพ้อมค้าบอกไปเลยต<อ>ัวไหนสีอะไรสีอะไรมาจากไหนไมีหนะ้ามีแบบไหน ไม่ใช่เป็นความจนมาเกิดเป็นหมาทีแค่มาเกิดช่วยฝากพวกนี้พวรู้เรื่องพวรู้ศาสตร์ม่เไปเป็นหมาแต่ลูกเลยนะว่าไม่ได้จหน้าจะเรี้ไวว่ามันไม่สวยนอนค้นนไมไม่ยอมลงโอ้ไม่เสียากว่าไม่สวยจะไม่ยอมลงแม่ขนาพูดแค่ไม่สวยเนโ้ยอมอย่างนี้ถ้องวยกเป ขอเปะแน่เออฟังฟังบนหมานะเออเอาละใเรืองนะขอหวยหมานะขอลงไปแหวนทองเทของใครมีผ oh, mm. uh sure ู้ทำหนดอยู่ท่านบนสุดมโนมดิชิกโกรธมากแหมถ้าไปทองคำก็ถายปหหอยวัดเลยนะเป็นทองคำเยอะที่ถันแล้วที่านไงครับพอเป็นแดงแล้วจ้าหลวงพ่อจะพัก ลูกเป็นครูแล้วก็เป็นนักปฏิบัติกรรมฐานวันหนึ่งจวนเพื่อนมาปฏิบัติที่ซอยสายลมนี้แต่พอเริ่มนั่งกรรมฐานจริงๆแกมีความเร่าร้อนกระสับกระส่ายเหมือนกับไฟไหม้อยู่ในตัวอย่างนั้นแหละจะส า, า่งอยากจะเรียนถามตรงพ่อว่ า, วาเขาเป็นอะไรหรือมีอะไรทำให้เป็นเจ้าพัะ เขาเป็นอะไรถ้าตอเขาเป็นคนถ้ามีอะไรก็มีธาตไฟในกายยังร้อนรอนไห่เฉยเลยครับเพราะเขานั่งแค่หสไม่รู้ว่าหัวแค่ใจระเบิดออกเป็นเสียงห้าเสียงหูตองดนแลต้วแลครับต้องคิดแล้ทีหลังที่ทำให้เขามาเท้าจตุจักรศาสนาคุณก่อนโอ้ในความจริงการขอมาเท้าจตุัานาคุณควรทำทุกครั้งนะครับค่เราทำกันไม่เลยนะ ส่าทุกคนมีคิดหน้ามีหลังก็มีพลังพอนี้ฉันไม่รู้ว่าพออาจารย์ถามมาฉันย้ถามว่าใเธออะไรบอกู่อเออแล้วก็ยังมีวงเล็บว่าเป็นคนใสไม่เคยดีหน่อยๆอยู่ยเพราะอะไรเมร่อโอ้แเวนเอาอะไรกันยะขาดให้ขอมาไม่ดีไม่ได้ของเขาใช่แล้ก็ราต้องเสกตั้นาน เมื่อวันเสาต้นเดือนที่แล้วลูกทนตมาธิที่่อยสายลมเห็นพญานาคสามตัวขึ้นมาฟังธรรมะกับหลวงพ่อที่่อยสายลมที่นี่อยากจะเรียนทราบว่าการเห็นของผิดันเป็นการคิดหรือเป็นความจริงเจ้าพระเรีนหน้าคือหนุ่ผู้ชายเพราะเอาไม่แนะ่ใเหรอาบางคนขึ้นมา <laughs> <laughs> เด็กผู้็ชายครัพระยาน้าอ๋อพระยาหน้าเราเนชายใชมอ๋อพระาหน้าเป็นผ้หญิงมากผ้รอําพระยาเป็นหญิง้ิงถ้าทำตําแน่งนี่วผู้หญิงมานะโอ้ยตําพระยาเนี่ยแอ้ยลองของพ่อีากี้แลถามเมื่อไหร่นยอ้าว Bye, bye. que การ่เนี่ยการินการสักแท้งไม่ใเป็นผลหลงบาในการสักแทงบงเอื่ยกฎพุ่งกรรมุทโธไม่ใ่เป็นคดีการสักแทงนะคระ่ามีคนที่อเมริกามองมเกิดถ้าปไนทานพ่อป้าคุยขัพูดว่าใคออ้เป็นไรพราะเป็นตามนทังทีบาปแทงคือกฎของกรรมไม่ทอดสนรอกบาปดีบันอ๋อ แกมีพิธีการยัง อ, ยงอ่อนมันก็มาให้พอดีภาพปาและวที่ว่าคน ร, นรนุ่นกันยังคนทสองแล้วไม่ได้ของเราเง น, นนะาพปา ก, ปากแตทางคุยดีเอ้ากปา ก, ปากยา ว, ว่าปลาไปถึงทังไข่ ผ่านขาวนี่ผานดาอีกด้วยจึงขอเรียนถามลงอว่าเคยพบในตำลับตาราบ้างหรือเปล่าครับไปลำนนักปะ้วเคยเคยเคยเคยเลครับเคยเคยเป็นไงหลงพ่อมาเพบหนึงเนี่ยเ่องหว้ทางเจปก็ก็ช่แไม่ใหสนำเลยยังดีนะก็แขน่มแล้ก็เจ้าที่มีผ้าด้วยกันว่า Thank <laughs> you. เวล า, ลาที่แกทำในบอลเข้าขวางอ๋อในตัวสงไข้มันเขา้าขวางสัมถ้าต้องตัดสินใจว่าเราจะชีวิตเท่าไรกันทำไมสามคราวนี้เราจะทำกรวมานหวังพิชิตญาณร้องเรียนี้ใช่ไหมสามถ้าไม่ได้ใหามันตายที่เวลานี้เราจะถอยสามนี่เองหลวงพ่อเจ้าทัา ที่ฉันกำลังจะซื้อโต๊ะหมู่มาใหม่ไว้ในห้องบูชาละก็มีทั้งระเก่าระใหม่ปักคนกันอยู่อยากจะเรียนทราบวิธีปักอีปักวิธี ต, ต, ธตัง้งให้หน่อยเถิดเจ้าข้าไม่ได้แม่ไม่ได้ละมูอเดียวไม่ได้ละคนละนิกลายก็แยกนิกลายเลยนะนิกายเกาย่นก า, านิกายใหม่สราบาบเถิดไเป็นไรยังไงก็ได้ใครผพูดจเจ้าเหมือนกัน ตั้งามที่เราเห็นคนอะไรกันแน่บาปบาปอะไกันถ้าตั้งไปแล้วจะไปนอนนั่งคิดนอนคิดแต่มาถึงสมัยเอ็งยังนั่งกม่ได้มี่ายสารการอะไรอย่างนี้าปบาปอะไรพระพุทธเจ้าเหมนกันเลวบาปบาปหลวงพ่อเจ้าพักเรื่องสิ้นห้าปีสุดนั่นหนูสงสัยเจ้าพากคือหนูไป็นผู้มีแม่ตาสัตว์เลี้ยงสัตว์ แต่ทตอนเอาหมัดออกนี่พิศดารท่านก็มีตายบ้างเป็นธรามชจติแต่ก็ตายาด้วยเมตตาจริงเนีไม่มีเพศตา the yeah. ลงีทษแต่ยาอันนี้บาทีก็คุยกับพระอยู่บางทีนี่เองพระเป็นยังไงท่านตอบเรื่องการแฝงฐานะมาโทษโลกเห็นไหมลาล้วทันี่ปืนและท่ันอาแรกกียเข้าไปเจ้าองป์ปัจจุบันผสมแตงก o อ n เห็นไหมลาร้าพระเจ้าพระเจ้าคุยถ้าอย่างพระพิษยาบอกไปแล้พบท่าน่เดียวพระจ้ตรงมันกมาแล้วพระเจ้าะสุมาแล้วพระ้ทีบกงคนมา พูยไปพูดมา er. ถามเรื no hmm? ่องความเป็นมาที่รักษาต่างๆพระองอ์สมเด็จบอกว่าเรื่อัลาบนะสมเด็รงพูดแพ้วก็สวดนะที่สุดลาโอ้แล้วเราลงมาใช้พืนใจกันเข้าใจพระพุทธทิศทางกอยอะไรลาบแล้เลยถามนะว่าพระพุทธเจ้าจงมีกรมีเท็จเหมือนกันไม่แตกต่างกันในลาบลาบลาบแวอกว่าสุดล้ายตัวการเรื่อต้นคู่มันเลยแย่งกันโอ โครงการให้ทานมากกวกันลาบาบเนยรียกว่าเขารียกว่าสมก็ดีอเขาก็จะมีปรนกดก็ดีองากระสนก็ดีลาบลาปัจจุบันก็ดีปูนม่ตรงกันโอ้เนี่ยกระถางก็จะให้ปุมเลยแล้วก็ชเลยเพื่อผสมลาบลาบปที่ให้ทักหมดเองลยลาาว่าทท่านรอเลยพวกกระสุนพวกลาบด้ว นันว so ่าเรามีความมั so uh, ja, ่นคงริงแลทำในสมาธิภาวนาเสมอๆ่ันชินนะฝากเดือดร้อนตามที่เราคิออย่างงี้สบายใจได้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเสาถูกอะไรเล็งเองะไรตร่งงากเสาสุกเล็งก็เสาแล็กเสาเล็สไปรื่อกหันเล็ง้ากเสาสุกเลงก็เสาก็เบาหน่อย ภาพสาวเลมาสุ่คนนุ่มตัาท้องก่อนครับเดี๋ยวสาวร้องท้องก่อนโอโห่นะพ่อขั้นดื่มพเพลงเพงคนต้าาแล้วี่ไปเจอพระสาวโบสถวัดวัดป่าธาตุวัดอะไรก็ได้เลย้ายใหญ่เลย้พหนักเลยอะไรเป็นไรเย เราลบานเดีาาักลตอจักองว่าเขเจะไปเขาไปอุ่ลเขามาเขนั้องรู้ัอ๋อแต่ว่าลีลาต่างกันทีเดียวคนเยวทกีั้ันแข็งมากผู้ใหญ่มากตากเขาผสมไดนิ่มนจะราเหน้าสารเขาราดหนาสาู้้อ๋อถ้าบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของสองงค์ลาบฝาแฝดแม ่ด็กให้หลวงพ่อมาพินแจก้าไปซะหน่อยพรแจกก็เนินๆป่านี้ลูกหลานก็อุ้มงสมบูรณ์เวลาที่ยังดีอยู่นะให้คนที่กินอยู่กิข้าวแล้วก็ขนมได้มีความหมายอ๋มันอันนี้เป็นช่พิมแจกาเดี๋ยวถ้ากว่าท่านไ่สามารถที่จนมีทานที่รู้ก็ได้เลยนะโอ้โหแตต้องไปขอบคุณท่ายญาไปสีขอบญาต สาอแลเรใหญ่ป็นสีเม่ผลนากไม่มีทาดขาดอ๋ี่ตกลงว่าภาระที่ได้มาตอนท่านทานย่าท่านแม่เพราะว่าท่านสีท่านให้แข่งเขียนคำสั่งให้ก่อนสร้างขาดขาดข้อเล็งงเลเนหนเน้นของพบถึงาก็ไม่ช่เป็นข้อที่หนไม่ได่อย่างเดียวก็แคไม่ไหวอยู่แล้วอ๋อน่เลยตรรุกเสีงนี้แต่ก็ท่านแม่ใหญ่ท่านสีท่านกบอกว่า อาศัยคุทธานุภาพกินลูกท่านน้นก็นั่งอยู่กันป่าาถ้างนั้นหหาท่านใช่แต่พู้สุ์ก็คุณก็เรื่อนี้คุณไปคุณมาแล้วก็แมท่านใหญ่านีท่านก็มีด้วยป่าป่าตอนี้ตราันถ้าพ่อได้คนนั้นนี้พ่อคนเดียวหาค่าังค์ไมยหวเงินมันมาจากลูกป่าปาถต้องให้ลูกชาดยทาอมัตอถ้าได้นมัติไมีทางก็ถ้ารจะเขตัวือป่าปา หมายนี้ก็ต้องราบของทุกคนหลวงพ่อที่เมตตาลูกใช่กามาสมมูลโอ่เ้าล้อเลยล้ไม่ได้เลยนัองนไปไหนนาคนนี้แบบนี้หลวงพ่อเจ้าขาลูกทำการค้าขายกับผู้แข่งพยายามสันแส้เรื่องการค้าตลอดมา ขนาดนี้ลูกคนไม่ไหวแล้วลูกอยากจะฆ่าตัวตายแต่เขาบอกให้มาถามหลวงพ่อก่อนว่าจะตายแบบไหนเข า, าใใไม่เห็นไหมบุษงงเอาง่ายนะ้ตายง่ายง่ายๆในลากรับให้ใจเรื่อยๆเอาใจเรื่อยๆนมันจะาใจตรงนี้ มีมีคนไปจำนวนหน้าที่ตุ่มใจเรื่องผู้แข่งเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยก็ถ้าเราได้คาถาบทที่ไถ้าใจเย็นแล้วไม่ไปทางอ๋อเรือ่องเล็กๆต่างแบบก็ชั้นเล่น านสถร์รถยนเป็นพื้นฐานใหญ่ที่หมดเร่งจะทากานนะนี่ก็อย่างนี้หมดต้นีตัดอุปสรรคที่รากแท้คืออันนี้ต้องมีอยู่รากวกครแล้วหมอออยิตายเลยฝากลาถ้าถ้าจะตายดีก่อนจะตายหรือฉันสิบล้านก่อนโอ้โหยังไม่ได้สิบล้านยังอันยากจะตายไม่ได้ อต้องต้องให้ทางก่อนแล้วก็ใช่ได้ทายแล้วมันจะให้อ๋อให้มันในการจบเรียนมันมีทางกลางกลางไม่จบปริญญาตากตากเขแ้งมาสั่งคำอะไรอ๋อพระพุทธนาวิชเคยภาษาแล้วมันรื่องอะไรใจธรรบายตากตากมันมีไลน์ค่ายอยู่ที่จะจับกัมันมีข้าวใส่ข้าวแป้งกระโดดโยนมานี่ทำมากลางกลางกลางบอกว่าเราต้อมีใหม่แกต้องช่วยขายสืสาร เห็นแต่ไอ้จุ๋มของท่านทุกมี มีอาการทุกอย่างทุกคนเนี่ยพระเจ้าทรงสัดการไปั้นท่าได้ชั้นใดมีไว้ก็ไม่มีก็กามอารมณ์มีไว้เพื่อใช้ในกิจที่ร่างกายมันต้องการอย่างใช้ยาผัสสะนี่เลยมีท่าทีถือว่าเราไมที่อารมณ์นี้ลากษาไหมิตรัก็พยายามตัดตัวนี้ออกมาจากใจ Oh. แต่ถ้ามีการแต่งงานแล้วเขาไปสมัครพานย า, าสารมี uh. ที่ว่ากดที่ไม่จต้องแต่งงานก็แต่งไปตามกนที่เจ้าของมีคนทุกคกำรรใช่ไหมเลยร่วงหรือเราเป็นคู่ครองกันมาแล้ก็ถือว่าชาตินี้ชาติที่เราจรักก เพรว่าวันเสาร์ที่1ิบเก้าพาคมเอ่อท่านเทวดาเช่นจารุสาราที่รักษาเเมียฝากถ้พ ร, รักคนกระมาาคนก้านหนท่านบอกว่าให้คนนั้นไปหาซื้อไก่ที่กำลังใกล้ตัขาอที่นั่กปูขาวเนะปาปาประมาณแบบสามตัว ถ้าเอาลี้ยงให้มีความสูงได้ จ, จรจิงๆอก็ค่าป็กสน้อยจำเก่าเลยค่ะคือไม่จาเป็นต้องไก่ขาวะค่ะใครที่จะมัดแข่งมัดาไปแล้วไม่ในกค่โ<า>อ้หรือว่าไก่เขาซื้อม า, าเพื่อจะเกินเนี่ยมันมีแน่ไงคะาามีบ่นมีแน่สักสามตัวอย่างนั้นอไม่ต้องเลือกสีกค่ะค่ทำหัวโอ้แค่อที่ ส, สุกนแต่ในมือหัวเนี่ย เยี่ยมืองใครมองตุกเขามากันไหนเ่อถ้ามายอะม า, า, ากเาค่ะอผมรักษาเกณ์นี่ครับที่ประจัาเกณฑ์นี่โอ้ที่าาาทาบาดดีเลยบาดบาารุณบารมีข่าวสัสมบัติมีกำลังแรงบางท่านฟังเทศจบเกียบไปอร่ามเลยบางท่านก็ติดโสดาบันอุูพักใหญ่ยังว่าแเียว่านอนว่านอนนไม่ใช่ไม่ใช่สโกเป็สุภา ย, ยา แต่เป็นตัวอย่างว่าติดติดพระโสดาบันอยู่ต้อง3ามสิ่อะไร่สิเกือบีตัวี่วววยั้อัแป่จะไม่ทาอย่างเลยเพื่อจะม เ, เกาเ่าดน้การปฏิบัติจริงๆแม้จะเป็นสุขาพบุรุก็คงท่านก็แนะนำว่าถ้าบุคคลผูดด้ใดสามารถทรงรมของพระโสดาบันได้ให้ใช้ลมข้อตัดอปราณเลย อีกสอจังหวะไม่ต้องห่วงในควหมายความว่าเรามีความรู้สึกมีสัญญามีความรู้สึกว่าโลกน่าชายมันต้องตายยังไงไงก็ตายแน่ถ้าจะตายเราก็ยอมไปอภัยผูกยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่ น, ส, นสุดมีศีลห้าบรสุทธิสมบูรณเรียกว่าอบายัยภูกบาปเก่าๆที่ทํามาแล้วทั้งหมดไม่มีผลสำหรับเราต่อไปไม่ลง ตอนหลังนี้ก็จับอารมณ์อะไรคือเข้าไปจับอวิชาเลยให้ปัญญาพิจนาการความจริงว่ากายเกิดเปนมนุษยนี่มันมีความสดหร่อมีความดุร่างกายของมนุษย์มีการทรงตัวไหมที่จบอกว่าโลกนี้เต็นไปด้วยอัดีจังคือความไม่เที่ยงร่างกายคนอื่นก็ไม่เที่ยงร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงทรตัวทุก ร่างกายนี่มันเป็นสุข็นทุกข์ความอยู่เป็นสุขก็มนทุกข์การโกระรับปัสสาวะเป็นสุข็มนทุกข์การป่ยไข้มสบายเป็นสุขก็มนทุกข์การต้งประกอบกิจการงานมันเหื่อยก็ทรมานตัทรมาใจเป็นสุข็นทุกข์การวัดพลาแต่ของนักของว่ใจเป็นสุขก็มนทุกข์การการนี้ต้องมีขั้นยาตายเป็นสุข็มนทุกข์ตองน่อน ก็ลงความมาใช้ป <pad> oh <pad> ัญญาเข้าั์จุดนี้และอจุดหนึ่งใารเป็นเทวดาหระสมดีไหมมองกันง่ายตางความป็ิงก็วดีกว่าความิแต่ว่าความเป็นพิก็เทวดาระมอยู่ได้ไหมเมื่อหมดพุนวัสนามบารมีขลุงมาก็ไม่ดีจิตเจ้าตัวที่ดีจริงทานที่แงแค่นี้นะ คือเห็นว่ามนุษย์ไม่เป็นเรื่องเจวัดาและดวงก็ไม่เป็นเรื่องกันต้องการควานิสัยนิทัยนิสัยอารมณ์นี้เป็นอารมณ์อะไรให้ถามว่าคนอย่างพวกเราจะเป็นพระหนาญได้ไหมก็คนนี้เป็นพระหนาญ้งแบกเข้าหน้าตาเราพวกเรามีจมูกมีปากมีผมมีชื่อมีลูกตามีจมากอะไรต่อมีขี้มีเี้วม้วน จะว่าเรากับท่านจะมีกำลังใจเข้มคนเท่ากันไหมความเข่มคนคนของกนลังใจยามนึกวสร้างกันได้ง่ายๆเหมมันก็ต้องอาศัยบญบารมีเก่าถ้าการสะสมบารมีเดิน ม, มาไม่ดีพอภาพนี้ขยันเท่าไรก็ตามมันก็ยังไม่เส็มันต้องสะสมกับรู้ทุกชาติ เราก็ต้องไปนั่งมองตามความจริงว่าคนอย่างเราจะไปนึกพานได้ไหมก็ อ, อย่างที่พูดมาตอนกันวันนพูดมาเอะที่สุดเอาแค่ศรัทธาของศรัทธ <c oughs> าคือความเชื่อในการต้องการจะบเ็นลุผลเฉพาะทานาันประมือตรงนี้เป็นเสื่องว่า สัทธาดี่้าแลวความเชื่อตามแบบเ่าก็มีว่าสัทธาไออภิโมกข์สัาคือวัทถาที่ไม่ใช่ปัญญาประกอบเป็นความโง่เนี่ยกาสศัพท์ศรัทธาที่สำนึกปัญญาจะประกอบด้วยปัญญาก็อยจเชื่อพิจารณาด้สัวอย่างสองอย่างไม่ยังไม่ไปต้นไม่ไปต้นัฒนมีบารมีจริงหรือไม่จริงต้องไปดูสัจพย์คู่หนึ่ง อุณิธิสังสาริกาสัการาับอาสังสาริกาสักการสังสาริกาสักาก่อนที่จะเชื่อต้องมีคนก็ชวนเขาแนะนำก็ดึงไปไปทำมูลนิธิได้ทามูลนีธิไปไหมดีไม่ดีไปถึงวันแล้วไอ้นี่ยกาศเป่าเป่าเป่าที่แคสร้างสร้มสั้หลังและคาสองก็ะหนึ่งแหมประกาศคึ้นวันยังไม่ได้จั แลนักการประเรศีก็ทำกันทำบ้างอะไรทำบ้างหรือว่าเข้าไปทำอย่างนี้ที่ว่าสังสาริการเป็นสภาทุกคนที่มีบารมียังไม่เก่งไม่เป็นปรมาจารารมีแต่สังสาริการสภาไม่มีกัรที่ว่าไม่ต้องผไมัจนจะไม่ทำกานเห็นแล้วพอใจทนอย่างพวกเราฉีนั้นมันจะยกคนยกครไปดาในึ้นในตรงนี้ อุ้มมัน ต, นตทุ้งแก่แล้วโตที่เองี่เยอะคนเหวนี่ถ้ามัานแจ้งฉันอุ้มมันใครจะแจ้งก็จะอุ้มมัน้ต ว, น ต, วนต้องดาวสิบล้านก่อนเฮ้ดาวมันว่าถ้า ย, ยังไม่อุมม้มรวมเนสิได้สิบลา้านใช่ไหมเออมาอุ้มแล้วจะให้เท่าไรไม่ให้ไม่ไาแต่ดาวแล้วเอาดาวเลยกระโดดดคนไหวจะโตไปนี่ต้องใช้รถยกอย่แล้วย่พวกเรานี่ มีหรืปล่าไม่เกี่ยงเขนกมานะไหนอย่าได้เนี้แต่เมือคุณ จ, จ, จะทำคุณจะาทำแค่การทำคนมาตายอย่างนี้เป็นอสัง า, ารที่ัดสัตยานะและการทุกวันที่พวกเราทำาหมืนกันแลวพ่อลมันนั่งบางทีมันไม่ตกันเตีนเอาเริ่มทำมันแล้วแต่งคนแต่งเรืยองอย่างนี้เป็นอสังารที่ตสานคือเป็นสัทยาทุกคนที่มีบารมีเต็ม แบบนี้มีหวังผ่นแน่นอนและก็มีเรื่อว่าอีกส่นหน่งแค่เพาะทาใจมันโลดิซอันนี้ถ้าเข้าเกสริพพานได้การที่จะนำอริสมานในายเข้าเกตระนิพพานต้องรู้เลยถ้าจิตยิ่งแค่เข้าถึงตั้งแต่โสดาสีอาคานาคาร์ยิ่สะอาจเข้ามันเห็รนิพพานแจ่มสได้จะเข้ามาใหญ เิ่งนิพพานแทรกได้แราจะเข้าไปได้หรือเข้าไปในมาลิมานิพพานนั้นไม่ยุติขณะวิจิตที่เข้าในมาลิมานิพพานนี้นนเลไม่จิตเจสะาดเขาไปถ้าทุกคนที่ทาได้ก็มั่นใจว่าขณะหนึ่งก็จิตเราสอาเข้าไปอันนี้จทำมั น, ปนเป็นขะเดมาจิตเกกิเลสอกใหม่ ไม่ตองมีสูตรกันว่าเวลาที่เข้าวันนี้ไหมไหม้พวกเราในเียรติภัยเวลานั้ๆๆนเรานั่งบนรถอีกหนกระเทียงันตังได้ไหมนั่งแล้วลื่นนั่งเราลื่นภาพนี้ยังไม่มีหวังถ้าจะให้มีหวังต้องตัดชินใจที่นึ่งตัดสิ้นใจทันทีว่าร่างกายที่สลายตัวเมื่อะไรของมาที่นี่เพียงเดียวจะนั่งได้ไหมเวลาไรากับารกิจจะมีความคุ้มกัน ถ้าเราเอินข้าไปแล้วมันไม่ลื่นเลยหรอกเขาหั่ได้เป็นพื้นฐานเป็นน้ำบาวิชาสารกับวิญญาณที่มีเครื่องวัดชันเพื่อทำความว่าบารมีเออพูดถึงพระยาภานิพายใช่ไหมครับเมื่คืนนี้มีญาติโยมมาใหม่สี่คนที่ท่านยังไม่เข้าใจมี4คนอะ้รนเวลากเราไปตรวจจิต เกท่ามันออกเป็นนกันตัเองปั๊บุ่าอย่นแล้วอสี่คนนี้ไม่มาใหม่ก็ยังไม่รู้เรื่องมส่วนไอ้คนนี้มัเหลือท่านบอกเอ้เงาอะไรก็มีเอาเดี๋ยววัดไปแล้วไม่จำตามบรรันต้องสร้างใหญ่วัดตาตหรือว่าตายบอกคนนี้ไปก่อนทำไปกันใช่ไหมแล้วพอทั้งหมดไม่เหลือสามร้อยจิตไม่แม่ครับ ดีปังแล้วฟังเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เร็วเดี๋ยวก็รดจะบอกนั้นมปนเรื่องธรรมดาของจิงเรื่องเรื่องธรรดาของคนคงกรรมแต่ส่วนลึกคือความดีจริงๆภายในที่มีอยู่ในตัวเอารับมันยังไศมาถึงก็เตึงกระวาดกราวาดมีความหนักในความเป็นอยู่ตองเลี่ยงตัวเองเหมือนค้านที่ขที่อย่างที่ขู่ก็แปรผู้ข อ, ขอห้ามไผ่ไม่น้าที่ขออย่าง เราให้จรระเบียบขอพระไม่ายยกเลยการไปรู้ให้ให้ามขอแม่แจะเรื่องทุกคนต้องมีระเบียบดีใ น, ไ, นไม่งั้นาาจะนนะมะีความนอย่างในเมร่อได้บอกว่าเมือได้เรามีความจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องดูอารมณ์กันท่ากับคนใดถ่าเดินตามสายสุภขขวุตสัตโธจิรักปฏิาณเป็นอารมณ์ ถารับแม่วันหนึ่งก็อาจจะที่นิพพานสักครั้งลสองคร้งเวลาก่อนหลับก็ตืนใหมที่สบายอันนี้ <uvo hum> hmm. มีวังว่าถ้าโกที่ได้มโนวิิขยันนิพพานวันละคั้งสงังเดียวก็ได้จิตเบี้ยเบี้ยนบอกว่าทัณฑนัีอย่างสุภาพนิโกจิตต้องการนิพพานเป็นอารมณ์เวลานั้นฉันต้องการ เวลาเนี่เราจิตมันต้องการนิพีานจริงเวลานั้นจิตว่างใจอยู่เลยทั้งหมดนีอะเราไม่ได้อยากจะได้ก็ไดผ่านเวลาไม่ตีเด็ดไม่มีเลยเาเป็นความรักสารภาพเพื่อมันก็วันทิ้งโลคขาดเพราทเพราะเวลาใช่ไหมความโลภก็ต้องทิ้งความโกรธก็ทิงความหลงก็ทิงเวลานั้นมันไม่ได้ต่อจิตจิตสมาย มันสักคู่เดียวเดียวมานแขงสองสามน า, าทีกแข็เดียกลับมาใหม่ก็แข็งันบอกว่าจิตเสื่อมตอนนันเล็กกว่าน้อ ย, ม, ออบบอยมันจะสะอาดขขอนนะทุกวันท้ามนจริงและเวลาที่จะตายจริงๆบารมีทั้งหมดจะขเ ข, จะข้ารวมตัวแล้ว็มีหััิฐานแน่นอนสาหรับคนที่ได้มนโนวิทธิถ้าขยัปนปฏิบัตตามปกติโดยเฉพาะอย่างหน่อหลับและทัหมดนั่ป็นิ่คัญมา ถ้าเมื่อตาจิตไปที่นิพพานแล้ววันนั้นทั้งวันจิตเปนสะอาดที่สุดและคนอาบน้ำตัวเคลี่ยนขอกกระปุกดีร่างทำอะไรตจวดีหมดไม่มีอะเพื่อนแต่พอเอิญด้านกลางฝนละออมมันเปื้อนฝั่งมันก็เหนนยแล้วก็ไปแนงใช่ไหมก็หลุดง่ายไปเหมือนคนที่ไยดินตอกทั้งวันนะเวลาที่จิตเข้าไปนิพพานมันหมดทีเด็ดไเือ ลงม า, า, มาและ้กะิเลทมันเกจะไม่เกาะจะเกินกาลังไ็ได้เราคนล้ลางมันทุกวันจนสิ่งที่เราพูดนี้เป็นไปไได้กลองคว้าว่าเมื่อคืนนียทํามันยืนยันงด้เขไม่ปเขาองมันยืนยันีนเมื่อคืนก็ืคืนนี้นพูดอะไรบ้างฉันจำไม่ได้เมือคืนนี้นไม่ได้ในอะไรเพราะว่าตามคาบอกคู่คำคเมื่คืนนีว่าตามคาบอกไม่ไปในช วันนี้เีย่จะลงมาบอกค้ณผู้ยรก็ฟังบอกเองอามว่าทำไมจะบอกว่าจาไปได้กบอกวน่ากวสัญญสิบบอกไม่รูแ่นั้นมัยไมต้องเอาสิจับต้นแล้วก็จับลายเลยสลไในไม่ต้องมากด ต, ตัว แ, แขวนนี้ของปวดปดไปเลยห น, น่อยเหนื่อยย ไม่คุยยังไม่ทันยังพูดไม่คุยเลยเฮ้ยลูกบ้านเหนืออ่อยมาได้พูดมากไอ ห, หลักวิชามาเยอะไปหลักวิชาถ้าอยากคุยกันทั้งทีนั่งคุยเมอะจริงจมิงนะฉันเป็นนักือมาตแต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์สาหรับพวกเราเพราะพวกเราไมา่ได้เป็นไปที่การแก่ เพราะไม่ใ่คนแก่เป็นคนกินใ่ไหะถ้ากำลังบารมีขนาดที่กระตุ้นลักษณะคนกินอย่างเดียวไม่ใ็่คนแก่ไอ้คนแก่แก่สมเด็แก้องตงส่อะไบ้างที่คนที่ที่มาใส่ไหมแก่ใส่ไม่แก่ต้องใส่ลูกใส่เรื่องลายตลอดเเ่ะ เป็นสมุทรคามใส่ขขสโขกึใส่แกงซุปใช้แฉกใช้แกงแต่ไม่ได้ส่หเลยจะต้มดีวานี้ไม่แกงาดันมันบุญตัวแล้วใช่แกงเสร็จใส่อะไรแกงแล้วใ่อะรตัวเขต้องผูกกันนั่นหมายความเริ่มมานจมีต้นเราต้องทาแบบนั้นเวลานี้กำลังพอเราแค่รวมกาลังรำของรำของโลวของเขามาใช จะเอาแกงมากินอย่างเดียวมนาม่ดีมากเพราะอะไรไม่ไอ้คนที่ไปโง่มนตามฉันไม่งั้นไปไปหมดเพื่อนเพื่อนพี่พน้องก็ไปไม่รูุ้โกนธกันไ่กินไปเกแสนโกตอนที่ยักษ์ต้นตนัน้าวไปาสิบหนึ่งขาเนี่ึจะไปดาวดึงี่วโยนบอกว่านี่สูกก็จะมนลาลาไปไหนลา สามละลายีมห้ารอยสามาลาภในความกตินท่านยัคงเกิเลายกันเดินน่าลายพวกและเพื่อใจผมในที่เกียจจริงๆหน้าจะมาช่วยหลวงพออฟันบินฟันสู่กูได้ไหมเยวันนี้ที่กวนเฮ้นดีกว่าดูรักจริงๆ <c oughs> <c oughs> นี่ะเด็กใจอ่นอน และผู้สานความเพียในพวกเรางานต่างๆที่เกิดขึ้นเคยต้องแข็งใช่หรือเราใครถนัดทางไหนไมป็นการแข็งกันเลยที่จะพ่อจี๋จี๋หนึ่ามันตั้งใจมาจี๋จี๋เมื่อรวมวามว่าการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยมันมีหวังเต็มที่แต่ว่าทุกคนอยากสำลักสิทนะเมื่ออาจารไม่เรียกกรรมอยากทำมากกนะั้ อย่างข้าศ like, ัตรีฐานคำเป็นม่โจเล็กๆกันเดทีดียทุกคนรการนี้สองอย่าปราโมทย์พระไตรปิฎกรดยเพราะอย่างนี้เวลาที่จย่บุญชาละเริ่มต้นขอมาตั้พระไตรปิากทุกคร้ักกับารรกษใจเป็นสารได้ใจว่าเคยสมาธรักั่งไดการตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีจะรู้เท่าจนถึงใจก็ดี ออสุดเด็ดไปเจนสีปวดประธานรถไฟอดอดให้ตั้งแต่วันนี้ไปไปขาา้ามวันไหวนิ้วกันนะาร่วมกันแล้วก็ผลที่เราได้ไปแน่แน่คือเราจะไปยากถ้าไปไง่ายจุดหนึ่งคือคือไหวมีจินแล้วไม่มีจินถ้าไป่ก็จะมีจินมันก็เดือดเดือดร้อนแล้วว่าท่านอยากก็ทานด้เพราะส่งข้อของข้ายู่สุดส ให้ฉันช่วยเกษตรกรแล้วลขวบับซีรพ่อใหญ่ยิ่งก็เทวดาไก่ให้อภัยต้องมูนปูนปูนวันนี้ไก่ก็บดหลายตัวนะไอ้นี่ปเป็นเรื่องแปลกที่สุดคือของให้อภัยกันไม่ได้แต่แลว่าเขากลับมาให้อภัยกับพวกเราเขาบอกว่าความดีคือบุญบารมีกําลังแรงพอที่เราจะเอารักแล้ก็มีความสุขก็เกิดก็ได้เลย นี่จะองพอใจในสิ่งของเรากระบวนการที่สองรู้เป็จ้าจไม่คาถาที่มีฝันต้งคันท้ยทุกคนตั้งใจทำให้ฝันตั้งใจจริงนอย่ากามากอย่าว่าเล่นๆถ้าไม่มีผลมันก็ถูต้องไปได้นก็ถ้าทำจริงๆแบฏิบายมีผลนถ้ามีความเป็นอยู่เป็นสุขมีแรงสบายการปฏิบัติอมดีใช่ถ้าหภาวนาก็ไม่ไ มันมีเงืเ่นยัดาวะภาวะปลาทุกโผรปลาขายทุบโผล่กินกงความว่าให้มั่นใจในความดีและก็พยายามลเรียกความชั่วหนึ่งอย่าลืมว่าชีวิตนี้มันต้องตายสองยานับนาทีาเพื่อเจ้าพระธรรมพระอริยสองเด็กฝันจริงใจไม่เลือกแย่งของใช สามรักษานนสิ่งภายในมันสดโต้แน่นอนเท่ากันแล้วส็าการณิสีฝังสุดเดียวหนีไปนั่นละตีกับยาโลคความโรคยาให้มีในคาวาอยากได้ถัาคนบัดเพุ่คนอื่นโดยการอยากจะรักบ้างจะเลีเ่ยงบ้างจะท้นแังอย่างนี้ขยันยได้จะเป็นไรขยันทรรมะกินมัเป็นแต่ว่าเราต้งความากดค่อยๆสถาการณิ่งก่อนค่อยๆ แต่ว่าเราของความหลงของเราหน้ากายขอ ง, งเราเยอะเยอะจังเลยจะไอ้นี่จำเลยแล้ไม่ได้ไม่จำเลยเพราว่า <c oughs> ไม่จําเป็นเมื่อคนนี้จํามีหวังต่อเมื่อเวลาวันไหนถ้ามันจะตายจำไม่ดีนะทุกคนนบางคนอาจจะตายก่อนน้อพ่อบางคนอาจจะตายหลังพ่อจะไม่จำไม่ดจดหนึ <c oughs> ถ้าวันไหนเวลาไหนแค่ป่วยหนักหรือไม่หนัก ถ้าเห็าเทวดาได้เห็นมคิดว่าเนี่ยลอยเต็มอากาศแต่ยังเรียกว่าการป่วยเนี่ยป่วยและป่วยนอนตะแคงให้คิดว่ามันอาจจะตายไปก่อนจะได้ไม่สบายก็ตั้งตับสิงใจกันทีว่ า, ารยนย า, า, นานี้ถ้าคนเอินจะตายเพราปานิพาตัวเดียวอามุนี้จะเป็นอมมุนหลังจากนั้นคนเเห็นเพราะอะไรอะรเจ้าเป็มหมดเต็มปานมองแสงก็เจ็บแล้วก็เจ็บ ถ้าดูท่า hey, น okay, well ้าเทวดายูหน so, hmm. ้าตรงอยู่กลางว่าร้านอยู่หลังเราไปดูเวดาอาตรงอยู่หน้าเทวดาอยู่กลางเราเป็นคนอาว่าร้านอยู่หน้าพระจ้อยู่หน้ากัาเป็นใคแต่ว่าจิตตั้งไว้เพื่ออิปานมีข้ไม่ถูกทางเพื่อเจ้าเองนะที่อยู่ใกลหลายคนนะปฏปไป่แล้วนไม่สบูรณ์เจ้ารอยชัดอย่านเยรื่เงคอนโรลหน้าตาสักแปดสอ ว่าเขาจะเป็นบุญต่างตัวองนราเดียวทานก็ว่าใช่ไหมไดียิ น, านทนานไ่มงคมพานว่าวันนี้มันยังงี้แล้ก็ตั้งแต่ญากิโยมที่มาใหม่ให้เพินใหม่จริงๆนะวาเดี๋ยวจะมา่านะนะจุดคือสองขันจะมาทานเวลาคอจะนอนนายตัดสินใจให้แต่ว่ากายเสื่อมเ็มนุษย์ก็ไม่ดี เป็นเทวดาหรือคมไปสุขทุกข์เราเราต้องหายถ้าไม่เคยคมนาเย็นอมื่ก่อนก็แค่คมนาวุให้ใจเข้านึกวัตถุให้ใจนึกเอาออกวัตถุหรือว่ามรู้มนาเลยคิดมันเรื่อยไปอยู่ที่ว่าอารเกิอย่านี้ไม่เปลียนเรื่อทำไม่หนก่ทุกข์ทนีแต่ทุกข์คยแตทุกข์ใจแต่ทุกข์เจาหนีวัตทุวัตถุหนีไป่มตตาดอกเบียเมตาเปิดกตทุกข์ แล้วความตายเข้ามถึงก็คุกคามพักแค่เจ้าขอนักขต้องแตะตพวกเราไม่ต้องการการเกิดาหวังเป็นธมดาราคงคนน้อยเนไปเราหลอกได้แต่คิดด้วยอย่นี้คือว่าจะาต้องการให้สิ่่างการภาวนาแท้กจิตไปสมาธิจิตกางแก่ดีใการที่เจรณาอยู่แท้ปัญญาตัดมิิตกางมิจฉิตในการสองอย่างมีผลเัมอต้นาเรอะไร เพราะว่าไม่ทราบทางเจ้าคุณราชท่นานทรมีพวกกันในบังวา่าเจ้าเผาเจ้ากุณเทพแจ้กรุงเทพเจ้ว่าท่านลงรี่ามมมมตายแท้จังใหญ่สมัยที่ริมมือเจ้าจังใหญ่นั่นเองเพระทขากนั่งริมนีเดจังใหญ่แล้วก็ที่ใยเจ้าุณเทพมีว่าโรดคนไม่เป็น ตอนนั้นเราไปสังเกตเลยกันนะและ้วก็เป็นหมอตุ้งฤเศษนัเห็นหมอตุงบอกเว่าจับมือปั๊บมีคนมาคอยเที่ยวตีมูสามคนมีแกงจะหลงมืหมอดูเลยมือดันรูยังเนี้ยแต่ใครไปให้ดูไม่ดูนะให้ดูดูเองดูข้อทั้งข้างวิ่งนันเลยก็ เ, เลยสงสัยวันหนึ่งท่าโกรธคนไม่เป็น สองจับเลยรู้คนมารู้คนไปเช่นมันบอก <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยมันคอย ม, มันมาีนนี่ที่ไปถ้าไปก็มีที่นี่ที่นีเแค่อะไรทำไม่ไปโอเมน่าองจะไม่เสียผเหมือนกันนี่ท่าจะเป็นบริยมเนะยแต่ว่าก็ใครใช้ก็รู้กันมามาผมนะจิมม า, าคานส่วนนี้นาานนนแล้วลูกสิษย์คนเขา้ามาใหญ่มาก ก็กเวลาแค่สอบเวลาสอบก็ถึงหนึ่งเดือนแ่สอบสอบไม่ตรงเลยดีมากแล้วตองขยับเขาสบวันที่เก้ากรุง่าทันจบปรมัมาณสาแล้วก็แคจพัลลุนทะเลาะอาติวันที่สิบเป็นอาทิตย์อันนีกอาจจะไปนั่งดักสตังแถวนั้นตั้งใจเเขาคนั้นเพราะว่าพึ่มานก็โปรก ลาบลาบครับแล้วคุณเปนที่หัวว่าโน้ไม่ว่านเองไมว่าโน้เลยนะเราลูกหลานแจเขาแข้งแข้ง <c oughs> ไปเป็นเช้ามีข้าวเช้าลงไปวันที่แปลกจะมาพักที่นี่วันที่เก้า มันไม่ได้นอนใ้กรุงเมืองเขาเขาออกเลยแ้ววันที่สิบกบไ ป, ไปเริ่มก็นัน่งนึกเมืม่อกี้ก็นั่งนึกถึท่านเวลาการทำถ่ายจัดก็ น, นัน่านึกลงท่านเราเลยมาแต่ว่าอาจารย์คุณหไม่ใค่คนทํายมทําพ่อันเป็นพระดิตล้วต้จะเป็นป ร, ริยน ก็มไม่ไรู נים, ้เรื่องกันเลยการู้ดตนึงท่านโปรดทานไม่เป็นไงดีมากสาชกิจการในสองสุดดนสทางมดูนี่ใครไปนี่แตกต่ง้นี้คผมไม่ให้สาธใครรู้ใครที่ว่าเกเดี๋ยวพวกนีใช้สั่งแตนิดหน่อยไม่เลยมือในยามลยเยียดจริงจิงร ที่ปั๊บปุ๊กไทยเลยเนี่ยไม่ต้องนั่งมองดูใช่ไ่ะโอ้โหเลยเมื่อกี้นั่งมันสงสัยวันนี้สมเด็กขึ้นมาลาที่ใจเข้าใจไม่ถูกโอยโหจะหมายความหมายความว่าทําแบบนั้นมันทิศตุยามอย่างใสอย่างต่อถ้าโรคนไม่เป็นใครล่ะครับหมดเรื่องพูดไฟกราบาดที่หายย่อมย่อมครูบาอาจารย์ ทีนี้บอกปัญหาว่าลูกหลานจะไปพบหลวงพ่อจุวรรณนงวันที่เก้าเนี่ยเอาเวลาไหนดีอย่างไรเอาตั้งแต่หกโมงเช้าฉันเชียร์พ่อเขงั้มน้ำไฟไปเลยนะใช่แล้วแล้วจะอยู่ที่นั่นถึงเวลาอะไรเวลาต้องเลิกเผาโฟปอนเผาถึงเลิกเผาเลยเผาเลิกเผาโลกวันที่สิบพัะน์บุญล้อนกระโดงก็ไปไปท่านเลย ลลแล้ว่ากลับเราคุยนอนที่นั่นก็ไถ้หลังจากเราตอั้นไปคุยกันแล้วไปเจอไอ้คนลืมเนี่ยคุณ้คุณราช้าาบอกผขาเป็นเดือนนะครับลืมว่าเป็ น, ปน<า> ก, กับคุณใช่ใครม่ได้เข้าใจว่าคณเสียววักอะไรกันวะ<า>ให้พมีงาจะไปลืมหมดใช่ยหมอแออก็เรายิ้ม เร่อกนเรี่อพูดอะไรเรื่องอะก็ะอนานงเผาเนี่ยเรื่นนองเร่องตเรื่องสำคัญาเรพอพอให้พวกนี้เริ่มทํทำไม ท, ำทำ<า>นปาลุงท่านมาจทั้งนั้ตังสามสี่คนอ๋อว้าลูกหลายอนเราละคุณบอกเดือนนั้นถูกต้องแล้วเรล่าให้ไปขอมาทศนิยนมมิย่างเดียว่ัน้นที่มันจะไปยากอ๋อเพราะอยางอืงอ่นพ่อมูลบริบุทพ้อมมลแล้วนะ หลัก่เครื่องเครื่องเครื่องขุเข้าวขุนอ่องขรนเดชตั้งเป็โคงการเป็นของธรรมดาครักแต่ว่าทุกอย่างพร้อมแล้วเย่าลว่าทุกคนเน่เวลาดปถากและขอมาเขากระจายัญญุ์งานก่อนนะหลักถ้วตอนจะเลิกพระพุทธเจ้าที่เามาที่บว่าที่พญายมก็พูดถูกต้องในการงานงนอยู่ตรักโดยใช้ในเราพวกเราม่ีเลยถืออย่างพร้อม ้าต่อไปตานตาล ไ, ได้แล้วยมศพบอกเยมศพ